อนาปฏิวาลพิคสณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,169 1. ภหนึ่งิกษณีผู้บวชให้เมื่อบริษัทยังไม่เลิกสองพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิบขาบทที่11จบ